ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะนำสาธุชนมารับฟัง รายการปาตกถาธรรมของพระเดศพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งท่านได้แสดงปาตกปาตกถาธรรมไว้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สมของเดือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน มารับฟังปาฏกถะาธรรมของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกันเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฏกถะาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สาของเดือน เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้อาตมาภาพได้กล่าวถึงการทําตนให้เป็นสุขในยุคเศรษฐกิจซบเซาโดยได้กล่าวถึงหลักธรรมคือข้อปฏิบัติที่ดีให้ผู้ปฏิบัติตามได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่กิจการงานในอาชีพโดยชอบและเพื่อให้ได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตประจําวันเป็นปัจจุบันธรรมไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงหลักธรรม ปฏิบัติสประการอันจะยังประโยชน์และความเจริญสันติสุขให้บังเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติอีกต่อไปในภายหน้าหมายความถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะกล่าวถึงนี้เป็นข้อที่จะให้ประสบผลเป็นความเจริญและสันติสุขต่อไปในการข้างหน้าถัดจากวันเวลาที่ได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อต่อไปอีกด้วย หลักธรรมะปฏิบัติสี่ประการนี้คือศรัท ธ, ธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาหนึ่งสีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสีหนึ่งจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละหรือการบริจาคหนึ่งและปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาหนึ่งดังที่อาตมาภาพจากได้บรรยายขยายความเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถึงความเจริญและสันติสุขต่อไป ข้อที่หนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหลักธรรมปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความเจริญและสันติสุขในภายหน้าในข้อแรกนี้ชื่อว่าศรัทธาสัมปทาแปลความย่อว่าความถึงพร้อมด้วยความศรัทธาณที่นี้หมายถึงให้รู้จักปลูกฝังหรือตั้งความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาในหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาและหรือในสิ่งที่ควรศรัทธา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธานี้ไม่ได้หมายความว่าให้หลงเชื่อถือให้หลงนับถือบุคคลหรือข้อปฏิบัติหรือสิ่งใดๆดด้วยความงมงายและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่รู้จักใช้ดุลยพินิษพิจารณาบุคคลหรือหลักธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าดีควรเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่ดีไม่ควรเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็ไม่รู้จักปลูกฝังศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรเลื่อมใสศรัทธาว่าจักเป็นผู้ไม่งมงายแท้ที่จริงผู้เช่นนั้นก็นับเป็นผู้งมงายอีกด้วยเหมือนกันเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาบุคคลว่าเป็นผู้มีคุณธรรมหรือมีศีลธรรมคือมีศีล ม, มีธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา ควรแก่การเชื่อถือนับถือเพียงไรเมื่อพิจารณาเห็นความประพฤติปฏิบัติของท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านก็ดีว่าท่านมีความประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบกอบด้วยคุณธรรมแล้วจึงควรปลูกฝังตั้งความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือเคารพนับถือคือควรครบหรือเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่างในความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดำเนินชีวิตของตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขตามท่านได้นี้ว่าแต่เฉพาะความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลที่มีคุณธรรมคือผู้มีศีลมีธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาในส่วนของหลักธรรมข้อปฏิบัติที่ควรเลื่อมใสศรัทธานั้นก็ทํานองเดียวกันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นหลักธรรมคําสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม หรือให้งดเว้นการปฏิบัติใดๆจากผู้แนะนําสั่งสอนใดๆด้วยความพินิษพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบแล้วทดลองปฏิบัติตามดูตามหลักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของผู้แนะนําสั่งสอนนั้นด้วยดีให้รู้ผลจากการปฏิบัตินั้นด้วยตนเองว่าได้ผลดีตามคําแนะนําสั่งสอนนั้นๆหรือไม่ เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมและได้รับผลดีก็ยอมรับนับถือเชื่อถือคือพึงปลูกฝังความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัตินั้นไปใช้ศึกษาและปฏิบัติให้ได้ผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนของตนต่อต่ อ, ตอไปในการข้างหน้าแต่ถ้าได้ศึกษาทําความเข้าใจในหลักธรรมนั้นด้วยดีและได้ทดลองปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมนั้นแล้ว กลับได้รับผลที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็ไม่ต้องศรัทธาเลื่อมใสหลักธรรมคือข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาเลื่อมใสที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั้นหมายถึงให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองคุณธรรมของบุคคลให้เห็นว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมควรครบ ควรเคารพนับถือเชื่อถือก่อนแล้วจึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาในท่านผู้ควรแก่การเคารพนับถือเชื่อถือและเลื่อมใสศรัทธาในท่านนั้นและก็ให้ใช้สติปัญญาศึกษาไตรตรองพิจารณาหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแล้วทดลองปฏิบัติดูให้เห็นผลว่าดีมีคุณประโยชน์มี ทางที่จะช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขควรแก่การเชื่อถือนับถือเลื่อมใสศรัทธาก่อนแล้วจึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนนั้นและนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปดังมีตัวอย่างพระพุทธดารัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสสอนชาวเมืองเกสปุตตะในแคว้นโกสลในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จจาริกไปในแคว้นโกสลว่ามิให้เชื่อโดยอาการสิบอย่างมาีปรากฏในกาลามสูตรกังขานิยฐานสิบว่า เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จไปถึงเมืองเกษบุตรต์อันเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่ชนกาลามโคตรคือพวกตระกูลกาลามะชาวเมืองเกษบุตรตะนั้นเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือพระพระสมณโคดมสากยบุตรคือผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ชาติสากยะ ได้เสด็จออกผนวดจากศักยสกุลเสด็จมาถึงเกสปุตตะนี้แล้วจึงพากันคิดว่ากิตติศัพท์อันงามของพระสมณโคดมขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ทําจิตใจให้เศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นผู้ ควรไหว้ควรเคารพ บ, บูชาเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกฝนอบรมบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าเป็นบรมครูผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว ในคุณทั้งปวงเต็มที่เป็นผู้จำแนกทรรมสั่งสอนประชุมชนท่านทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้กับเทวดามารพรมและมูสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสมณะชีพรามเทวดามนุษย์ให้รู้ตามท่านแสดงธรรมเผยเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจันทร์คือประกาศพระศาสนาได้แก่คาสั่งสอน อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงการได้เห็นท่านผู้ไกลจากกิเลสผู้ควรไหว้ควรเคารพ บ, บูชาอันทรงคุณธรรมเช่นนี้ย่อมเป็นคุณความดีให้ประโยชน์สำเร็จได้ครั้นพากันคิดอย่างนี้แล้วก็พร้อมใจกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาควรแก่การเคารพนับถือนั้น บางพวกก็กราบไหว้ตามอาการของผู้เลื่อมใสาบางพวกก็เป็นแต่กล่าววาจาปราศัยแสดงความยินดีบางพวกก็เป็นแต่ประคองอัญชลีประนมมือบางพวกก็ร้องประกาศชื่อและโคตของตนแล้วก็ต่างคนต่างนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็นิ่งเฉยอยู่ครั้นมูชนชาวกาลา ม, าลามชนชาวเกสากุตตะนั่นนั่งเป็นปกติแล้ว จึงทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีสมนพราหมณ์พวกหนึ่งมาถึงเกศปุตตะนิคมนี้สำนนพราหมณ์ พ, พวกนั้นพูดแสดงแต่ถ้อยคําของตนแต่พวกตนและหลักธรรมของตนเชิดชูพวกตนและหลักธรรมของตนให้เห็นว่าดีเห็นว่าชอบควรจะถือตามแต่ฝ่ายเดียวคัดค้านข่มถ้อยคําของผู้อื่นดูหมิ่นเสีย ว, ว่า หลักธรรมของผู้อื่นนั้นไม่ดีไม่ชอบไม่ควรจะถือตามท่านแสดงถ้อยคําของตนให้เป็นปฏิปักษ์แก่ถ้อยคําของผู้อื่นครั้นสมณพราหม์พวกหนึ่งมาถึงเกะปุตตนิคมนี้อีกก็เป็นเหมือนอย่างพวกก่อนนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนี้ทุกมูจนข้าพระองค์มีความสงสัยไม่รู้ว่าบรรดาท่านสมณะเหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จกันแน่ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าควรแล้วที่ท่านจะพากันสงสัยความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุที่ควรสงสัยจริงๆนั่นแหละแต่ว่าท่านอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้ถือโดยลำดับสืบๆกันมาอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา อย่าได้ถือโดยเหตุนึกดาวเอาอย่าได้ถือโดยในคือคาดคะเนอย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ถือโดยความชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อถือได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูเราเมื่อใดที่ท่านรู้ด้วยตนเองนั่นแลว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลธรรม เหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ใครประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์ดังนี้ท่านควรละทำเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถือโดยอาการสิบอย่างได้แก่การถือโดยการได้ฟังตามกันมาเป็นต้นให้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ด้วยตนเองแล้ว เว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียและให้ปฏิบัติในสิ่งที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นคุณควรปฏิบัติเรื่องของชาวเมืองเกษะปุตตะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาด้วยปัญญาอันเห็นชอบให้รู้แจ้งด้วยตนเองว่าหลักธรรมะปฏิบัติใดของผู้สอนใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วเป็นคุณประโยชน์เป็นความเจริญและสันติสุขสาหรับตนเองและผู้อื่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็พึงยอมรับนับถือเชื่อถือและนําไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ชื่อว่ารู้จักมีศรัทธาในหลักธรรมคือข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาแต่ถ้าหลักธรรมปฏิบัติใดของผู้สอนใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะเป็นโทษนําความทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็จงงดเว้นข้อปฏิบัติเช่นนั้นเสีย และผู้มีปัญญาก็พึงพิจารณาคุณธรรมของบุคคลว่าควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาควรแก่การเชื่อถือนับถือในธรรมนองเดียวกันนี้เองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล่าวว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมปฏิบัติของผู้สอนใดว่าควรแก่การเชื่อถือนับถือควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่เพียงไรนั้นแต่ละคนนี่ล้วนแต่มีระดับสติปัญญาไม่เท่ากันปัญญาที่จะใช้ พินิษพิจารณาหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใดผู้ใดว่าดีว่าชอบกรอบด้วยคุณประโยชน์หรือว่าไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ควรและไม่ประกอบด้วยคุณประโยชน์หรือว่าจะเป็นโทษจึงต่างกันไปตามระดับภูมิปัญญาและภูมิธรรมของแต่ละท่านไม่เท่ากันการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ซึ่งแปลความว่าการทำใจโดยแยขคายหรือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยขคายแม้จะแปลความให้ทราบอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาพระก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจแจ่มกระจ่างอยู่ดีแหละไม่แจ่มแจ้งว่าการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายนั้นคืออย่างไรก็จะได้ชี้แจงขยายความให้เป็นภาษาที่เราเราพูดกันพอจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ว่าให้รู้จักศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลจากหลักปริยัติสัจธรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจึงค่อยพิจารณาวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้นว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ชอบก่อน นี่เป็นปัญญาจากการพิจารณาข้อมูลชั้นที่หนึ่งด้วยการศึกษาค้นคว้าหลักปริยัติธรรมโดยการอ่านหรือการฟังชื่อว่าสุตมยะปัญญาแม้ปัญญาในระดับนี้ก็ยังอาจจะวินิจฉัยผิดพลาดได้อยู่อีกจึงให้ตรึกตรองพิจารณาหลักธรรมนั้นสืบสาวหาเหตุผลไปตามลำดับไปถึงต้นต้นเหตุเท่าที่พอจะพิจารณาได้ ด้วยความละเอียดรอบคอบให้เห็นว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนี้เป็นปัญญาชั้นที่สองชื่อว่าจินตามยะปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดตรึกตรองพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบอีกทีหนึ่งนี่แหละที่เรียกว่าโยนิสมานาสิการการกระทาใจว่าการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายโดยแยบขายแต่ความหมายของการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบไาย เพียงเท่านี้ยังไม่พอเพราะยังขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของแต่ละท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคือผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานและทิฏฐิหนานแน่นอยู่ข้อมินิฉยัยก็ยังอาจผิดพลาดได้ในพระพุทธศาสนาคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้จึงให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะของธรรมชาติ และในสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยตนเองกระทำการวิจัยธรรมด้วยการศึกษาอบรมกายวาจาและใจด้วยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องชื่อว่าไตรสิกขาสิกขาสคือศีลศสิกขาการศึกษาอบรมในศีลให้ถึงอธิศีลคือศีลอันยิ่งนี้ประการหนึ่งจิตตสิกขาให้ถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่ง คือการศึกษาอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตจนเกิดองค์คุณคือองค์แห่งฌานเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจอันจะเป็นอุปสรรคของการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้หมดสิ้นไปจิตใจผ่องใสควรแก่งานนี้ประการหนึ่งแล้วจึงพิจารณาสภาวธรรมและสัจธรรม ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเป็นปัจจตังเวทิตาโพวิญยูหิด้วยตนเองนี้ก็เป็นปัญญาในชั้นที่สามชื่อว่าภาวนามยปัญญาคำว่าโยนิโสมนสิการในชั้นภาวนามยปัญญานี้จึงจะสมบูรณ์ขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และการปฏิบัติอย่างนี้ก็จัดเป็นการศึกษาสัมมาปฏิบัต อันเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อใครแม้จะมีผู้พูดผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งในและนอกพระพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีก็พึงรับฟังด้วยดีไว้ก่อนแล้วพึงอาศัยหลักธรรมกาลามาสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นหลักการพิจารณาว่าบุคคลใด เป็นผู้มีคุณธรรมควรเชื่อถือควรเลื่อมใสศรัทธาธรรมะปฏิบัติใดมีคุณประโยชน์เป็นทางแห่งความเจริญและสันติสุขสำหรับตนและผู้อื่นควรแก่การเชื่อถือควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาจากการที่ได้ศึกษาหลักป ร, ริยัติธรรมด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์และได้พิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายคือด้วยความละเอียดรอบคอบจากข้อมูลด้วยการ ปฏิบัติธรรมคือศีลแสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาใจของตนให้สงบให้บริสุทธิ์ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษและให้พองใสเจริญปัญญาจากการที่ได้รู้หลักปริยัติการปฏิบัติธรรมให้ถึงปฏิเวทคือให้เห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนอย่างน้อยก็ให้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่า ปฏิบัติตามหลักธรรมใดจึงจะเกิดคุณประโยชน์เป็นปัญญาสองสว่างรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตของตนเองและหมู่คณะตามที่เป็นจริงเป็นทางสงบระงับจากกิเลสตัณหาอุปาทานได้จริงไม่กลับเป็นโทษหรือก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังก็เป็นอันใช้ได้แต่จงอย่าหลงเชื่ออย่างสิ้นเนื้อประดาดุประดาตัวต่อผู้แสดงอ้างว่าเป็นผู้รู้ โดยที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะยังไม่ได้พัฒนาสติปัญญาของตนให้ถึงขั้นหรือแม้จะเฉียดเข้าใกล้อธิศีและศิกขาคือการอบรมศีอันยิ่งอธิ จ, จิตตสิกขาคือการอบรมจิตอันยิ่งและอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาอันยิ่งเลยแต่ว่าจงรับฟังด้วยดีเล่าเมื่อฟังแล้วก็จงฟังหูไว้หู และจงศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ที่สุดพร้อมกับลงมือปฏิบัติให้ได้ประสบการณ์และถ้าถึงรู้แจ้งเห็นจริงเองก็ยิ่งดีดังนี้แล้วย่อมได้ข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องที่สุดความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธามีพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย และในพระสัทธรรมคือหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะกล้าแข็งมั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นอินทรีย์คือมีศรัทธาเป็นใหญ่เป็นพระละคือมีศรัทธาเป็นกําลังกล้าแข็งเป็นคุณเครื่องให้เจริญคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าทําได้อย่างนี้ชื่อว่าท่านได้เจริญข้อปฏิบัติอันเป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า ที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าศรัท ธ, ธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาอันจะนําความเจริญและสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้ต่อต่อไปจนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้อย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาคือการศึกษาอบรม ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจให้ถึงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคือศีนสมาธิปัญญาอันยิ่งตามรอยบาทพระพุทธองค์อันบุรพาร a ์ผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลดีพอสมควรแล้วแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดสืบต่อต่อกันมาดีแล้วก็ขอเชิญไปเข้ารับการแนะนำการอบรมตามหลักสูตรอบรมพระกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดให้มีการอบรมทุกปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบสธันวาคมของทุกปีส่วนเยาวชนก็ติดต่อขอเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัติเพื่อเยาวชนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนได้สำหรับ พระภิกษุสามเณรและสาธุชนโดยทั่วไปประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมนอกฤดูการอบรมดังกล่าวก็ขอเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มเวลา 9.30 นาฬิกานาทีวันละสองรอบและทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเริ่มเวลา 18.30 นาฬิกานาทีที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเรียนวัดสเกต ร, ราช ว, วรวรมหาวิหารกรุงเทพ และมีทุกวันหลังทาวัดเช้าเย็นที่วัดหลวงพระสุธธรรมกายรามอำเภอําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีเอกสารสิ่งพิมพ์และเทปสอนภาวนาธรรมให้ท่านผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพอที่ท่านจะทำความกระจ่างในเรื่องธรรมะปฏิบัติได้สำหรับวันนี้อัตมาภาพขอถือโอกาสต้นปีใหม่นี้ตั้งสัตยาธิฐานขออานาจบรารมีคุณพระศีรัตนไตร และบูรพายา์ผู้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนาด้วยดีมาจนถึงจนถึงณาบัดนี้จงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยและสัพพะอันตรายทั้งปวงจงปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบจงมีแต่ความดำริชอบพูดชอบกระทากิจการงานชอบประกอบอาชีพชอบ ด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตทั้งของตนเองและของหมู่คณะตามที่เป็นจริงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบจงถึงความสันติสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอันมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปถึงสวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติอันมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลานานเทินเจริญพรสาธุชนกําลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการปาทกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยักมังคโลโอที่ท่านได้แสดงไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ รายการธรรมะสู่สันตินำมาฝากเป็นธรรมบรรณาการสู่ท่านผู้ฟังผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านซึ่งก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนดำรงตนครองตนอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไรให้มีความสุขให้พอเพียงแบบเอาตัวรอดได้ในยุค วิกฤตเศรษฐกิจที่ทุกท่านกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนเท่านั้นเป็นเครื่องพดุงจิตใจของเราเป็นเครื่องประคับประคองการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางให้รอดพ้นฝ่าวิกฤตต่างๆ ม, มรสุมชีวิตต่างๆด้วยพุทธธรรมวันนี้ทางรายการก็นาสารธรรมตรงนี้มาฝากท่านผู้ฟัง และก่อนจากกันสาธุชนก็จะลืมทำจิตให้สงบสักครู่หรือวันละนิดเพื่อตั้งกัลยาณกิจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ควรละเลยเป็นการฝึกฝนกจิตใจของตนเองให้มีเมตตาธรรมอยู่ใน จ, ใจิตใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็ บุธบุญกุศลให้แก่บรรพชนเป็นประจำสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความเจริญรุง่งเรืองในธรรมความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร